มิจูดูโลกาใจที่นี้จะเป็นเจ้าของกาเป็นเจ้าของจิตใจให้ความเป็นใหญ่ให้ควาเป็นธรรมที่จุดเมี่มีสติดูโลกาใจตายก็จะได้รับควมเกินธรรมตายก็จะได้รับความเป็นธรรมธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมที่เป็นธรรมบรรดาธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติ นี่อยู่ในกายในใจนี่ธรรมาชาติของกายก็รู้จักพักผ่อนหลับนอนมีบ้านมีเรือนมีที่อยู่อาศัยมีผ้าห่มผ้าปูนอนมีมุ่งกลางกันฝนกันยุงกันเดดกันลม บ, บ้านหลังคาดีๆก็จงกันได้ มีงุ้งกลางดีๆก็นอนได้ฝังเสียงโยงที่อยู่ข้างนอกก็มาถูกกัดกายสายก็มาถูตนทุบนี่ธา ร, รมชาติธรรมดาที่มันเป็นการหลบภัยของกายมันหลบภัยเป็นเวลาอยู่เหมือนกัดแล้วก็ไล่ออกเป็นมันไี่จะเจ็บความเจ็บที่มันอยู่กัดมันเป็นสัญญาณภัยของกาย ก็รู้จอดช่วยเหลือจะนักจักเบารู้จอดจิ้จัดถ่ายรู้จอดวันเท่าเจ้าไขนอนมากก็มาได้เดินมากก็มาได้ยืนมากก็มาได้ดั้งมากก็มาได้มันเป็นสัญญาณมันบอกไม่เว้นนาอันนี้ธรราติธรชาติของกายเป็นอย่างนั้น สมุชาติของจิตใจกามีคือปกติบ้านของใจคือปกติปกติเป็นบ้านของใจใ จ, จได้อยู่กับความปกติก็เรียกว่าจิตใจมีบ้านแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ใจไม่ปกติก็คืออุปคิตเหลวทั้งหลาย่นอนมา เอาใส่จิตใจเป็นทวารความคิดของจิตจิตนวดจิตนี้จิตมันเป็นคู่ของความคิดความคิดเป็นมือเป็นแขนเป็นขาของความคิดความคิดพาให้เป็นโชขเป็นทุกข์ถ้าไป่มีสติเป็นผู้ดูเลยสติเป็นผู้พาจิตเข้าบ้าน ไปไหนกลับมาปกติลูกสิบตัวอยู่นี่เหมือนเป็นเจ้าของเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกแล้วลูกจะตกว่านดึงไว้จับไว้ทำาไาที่เป็นที่เป็นภัยต่อลูกพ่อแม่มีดูแลลูกลูกก็ปลอดภัยสติเป็นเจ้าของจิตใจก็เหมือนกันเหมือนกับพ่อกับแม่ของจิต เพว่าได้พระพุทธเจ้าจะเตียบเทียบสตินี้เหมือนพ่อเหมัอนแม่อุปการล่ามากเตียบเทียบเท่ากับพ่อกับแม่ที่ดูเลยกายใจทำให้ปลอดภัยได้ถ้ามีสติดูเลแต่คนหวางกอดไม่ค่อยมีสติแล้วจะหลายจะคิดจะไปทางด้ครับชื่ออะไร สำเร็จทำดีก็ได้วางทีถ้าไม่หัดไม่รู้ทำดีก็ได้ยากทำชั่วได้ง่ายวางผู้หวังคนไม่รู้จกดูแลกายใจให้ถูกถ้าอยู่กับความปกติที่มีที่อาศัยได้นังแตือ ก, กายมีบ้านอาศัยจิตใจก็มีบ้านอาศัย ความว่างใสของจิตนี่ที่มีธรรมะมีสตินี่ไม่เหมือนกับบ้านของกายไม่ใช่จริงบ้านของกายเป็นของคนอื่นได้แต่สติที่มีอยู่กับจิตใจนี่เป็นปลัมมัชสัจจะไม่เป็นบ้านของกายเป็นชีวิตที่ไม่ถูกแบ่งแยกจิตใจไม่ถูกแบ่งแยก เจเลยเป็นหนึ่งก้นเดียวเป็นที่พึ่งเปนสิ่งที่มั่นคงตอนมีสติปรนเจ้าของจิตใจมันก็บจิตใจมีบ้านที่อยู่อาศัยกอเป็นบ้านนิรันดอนถาวรเหมือการเกิดเจะเจ็บตายตอนชาลีชอบภาในของเกิดตอนชอบปานอก คมเจริญก็ทำให้หนักด้วยเป็นสาระถ้าไม่มีไม่เต็เก็ไม่ถูกถ้ามีบ้านของกิตกับเป็นถูกมีเต็นเตถูกเป็นพ่อคนแม่คนก็เป็นถูกเป็นลูกก็เป็นถูกเป็นวิธีมีการมีใจเป็นถูกกดใช้กายใช้ใจถูกต้องหมดเมื่อกายใจใช่ถูกต้องนี ความถูกต้องหมดมันก็เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อกายต่อเจนั่นเองประโยชน์ต่อโลกเพราะกายใจเป็นโูกเป็นนามมีขามีฉินมีสติปัญญามีสมอ ง, งกราทำความดีเกิดความนี้เกิดความดีเกิดจากการจากจนงมากที่สุดเลยถ้า อ้ายจิตมีความดีความศีบหายจะได้เกิดจากการจากใจห้องวถงนี่ก็มีมากเหมือนกันรลายตัวเป็นเอิงรลายกายร้ายใจร้ายสมาธิเสื่อเสีติิดได้ทำได้หลบหลีกหนีตัวบทกนหมายแต่าเสยโกบัณฑิตสุกบ เที่น ไ, ได้สิตใจก็เหมือนกันอันตรายต่อตัวเองคนอื่นแต่ตอนี้คนยั่วเกิดขึ้นสมวัชชีที่อยู่ที่ขอาทีใหญ่ของคนเกิดประทบกระทัอนอย่างปีนี้เราอุตสาหรักษาฝาไม่ยยงไว้เกือบจะห้าสปีเราที่นี่ เรามาลักมาไบให้ตัดเอาผู้หนึ่งลักาจาพผูนกงตัดถัาลักีัยาวนานกั น, นตัดเน่ยแป๊บเดียวทามาได้เลยอดไว้ไปเล ย, ย, เลยทำไมกระทบกปประเทือนเจิงเวือนน้องกระทบกระเทือนไปทั่วโลกน้อ ไ, ไม่ได้ตัดจนไว้สักต้นเราก็เดือดร้อนจิง จำเป็นต้องมาบอกมอสอนกาพูดเรื่องกายเรองใจต้องมีความถูกต้องอยู่โดยการปฏิบัติทมนี่แหละงาดูมันไม่มากการเปลี่ยนการสอนกาย ส, สอนใจบังไปยากยิ่งสอนใจดีไม่ยากเลยไม่ยากเหมือนกายช่วยกาย จะนยงก็ต้องมีมือไปไล่ส่วนใจนี่ไม่สติดีแอบเดียวความหลงกับลู่อยู่กันอยู่ในค่าวเดียวกันนั่นเอ ง, เองความหลงอยู่ที่ใจความหลงกูอยู่ที่ใจความทุกอยู่ที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่จิตใจวว่วามชั่วความอะไรต่รางๆเรศปัญหาปันหาร้อยแปด แล้วก็อยู่ที่ต้ น, นความไม่มีมมจิเลสพรามม่มีทหาก็อยู่ที่นั่นโดยเฉาะวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์รู้ได้เช่นความหลงรู้จากตัวความรู้จากตัวที่เปลี่ยนความหลงไปความรู้มันไม่ไม่ออกแรงง่ายก็ง่ายอย่างนี้เวลามันโกรธรู้จากตัวความโกรธ มีอยู่ที่ใ จ, ใจิตใจควมไม่โกรธมีรูจร้จึกตัวเด่นง่ายง่าอย่างนี้อะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนให้มันดีมันเป็นอย่างนี้จึงจึงน่าจะไม่ปล่อยจิตใจทิ้งเราจนเศร้าโหยจนโกรธจนแสดงออกร้องโกรธร้องทุกข์ทำให้แสดงออกทุบตีกระทบตัวคนอื่น อาจึงมันอาจะป่อยตัวเงทิ้งไปเสียดายเสียดายบางรั้ง่ า, าตัวตายเพราะความคิตแต่เพราะความคิดที่เป็นสภาวะของจิตนี่ชุกสนนะตรง ก, กันกับความรู้สากตัวพอดีคราม่านมนเป็นวิชาที่ตรงต่อทุกอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกต้องของมรู้จากตัวมีถูกตรงกับทุกเรื่องทึ่ไม่ถูกต้องแล้วก็หลยได้ทุกเรื่องที่มาเกิดกับกายกับใจเราเนี่จึงมหัศให้มีสติเป็นเจ้าถินเจ้าของให้เป็นปัจจุบันสามารถในมากทําได้ทมากขึ้นกว่าอันเดิมไโดยพระวิชากรรมฐานตามสติปัฏฐานตามชะยะ บ, บพระานา บ, บพระ จิตบัพพะอยู่ในตัวมันนี่สมมตัญญะบัพพะสิบสี่จังบะจังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ทุกวินาทีรู้ทุกวินาทีงับใจนี่ให้ใส่ใจให้ลําดับลำหน่อมทําให้มันเตินอย่างนี้ให้สติให้กายคู่กับสติให้ใจคู่กับสติ อากให้ไปคู aja, ่กับความหลงความโกรธความทุกข์ความทุกข์อะไรต่างใช่มาผิดอาจจะอาจจะยากแค่หนอยเห็นจริตนิสวยมาหาขาจรียก็ปุ่งแทงกระชื่อสัารโทสจจรีตก็อะไรก็โกรธหน้าอกตาองหาจริตก็หลงอกหน้าอกตาตาเห็นรูปก็หลงอกกันแล้ว เมืยย่อเห็นแสงก็หลงเวเลยสมุทัยจินนิ่งในรถเกาสัมปชัญญเจ้าชิดความหลงออกหน้าออกตาเป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของกายความหลงเป็นเจ้าของจิตใจเมื่อมีความหลงก็ทำออกไปที่ไม่ดีแบบนี้มามีสติเป็นเจ้าของเรียนความหลงเมื่อเก่าอี้ใบหนึ่งเรานั่งอยู่ก่อน จิตใจหนึ่งเหมือนกับเก้าอี้ใบหนึ่งเรานั่งอยู่ก่อนความอะไรกรมาไม่ได้ความหลงความสุขความทุกข์ความรักความจำวิจกกังวลเจ้าหมองอไม่ได้โบกขึ้นเพราะมีเจ้าของนั้นเป็นเจ้าจุดแสงทองไว้จากกับปวัตตะโสุตโปรดคจำวิชีอนาและโยอนาจาริโต อะไุกขังอะดจังบ่นเยอะแะทเมืต่นีเมืิเเวอเม่อิเมุกเฉินอฉุกเฉินเจอุกฉุงกูทัปฏิยาลังกุทับปฏิเราเห็นความจริงป็นย่างนี้ความจริงเป็นไงมันมาเกิดขึ้นมาทุกข์หรือบ่กนไม่ตอนนั สอนบอกเค้นนี่ว่าเม่กับเราบอกอาการตัวกไม่มีที่ให้เขาไม่ให้ค่าไม่ต้อนรับเนี่ยพร้อมดูนี่ไม่ต้อนรับไม่ให้ค่าไม่มีที่ให้อาศัยโบกเค้นไปมีสิทธิร้อยเปอน การมีกายมีใจมีสตินี้เวลาหันหลงมีสติไม่หลงถูกต้องทุกจุดเวลาหมดทุกมีสติไม่ทุกเลาหมดโกรมีสติไม่โกรธเป็นอกุศลสามทัวร์ดิอืมก่อนใช้ก่อนลูกก่อนป่า ก, ก่อนเมื่อกุนลสามทัวนี้หมดไปไม่มาอาศัย ไ, ได้กุศลอื่นก็เกิดขึ้นละวะเนี่ย อกุศลเดไปกุศลก็เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเหมือนกันวบว่าเวลาบนหลงรู้ขึ้นมาเหมือนเกิดลอย ข, ขึ้นตรงเนี้เป็น้การรอดความชั่วแล้วเป็นการทําความดีแล้วเป็นการทำกิจให้บริสุทธิ์แล้วการรอดความชั่วการทําความดีการทำกิจบริสุทธิ์ของกายของใจนี่มันก็งอกงามเป็นนักเป็นคนไม่เหมือนกับ ทำมาเดินแม้อันหนึก็เกิดมื่อเกิดผลได้โภคข้าวก็จึงห้าวปลูกมันก็ได้มันปลูกอ้อก็ได้อ้อกรรมที่การกระทำมันก็มีผลอันเรื่องเกิดกับปกากับเจิดเมื่อเราทำถูกต้องก็กเปิดมื่อเกิดผลมื่อผลที่เป็นประโยชน์ของกายของใจจุดไม้ยต่างคือเมื่อผลนี้ผ่านเหตการเกิดจะจ็บตายแบเนี่ยอันนี้ จุดหมายป่ายทานของรูปของนามของกายของใจถ้าเราหัดตัวฝึกหัดตัวเองถ้าไม่หัดก็ตายตายในความหลงตาในความโกรธตายในความทุกข์ความหลงเป็นภพเป็นชาติอนหนึ่งความโกรความทุกข์เป็นภพเปัญชาติอหนึ่งถ้าหลงตรงนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นว่าต่อสงสารตัดไม่ได้เวียนอยู่ที่ เหมือนกอกัดองเรงเราอยู่นี่เหมือนคนสมสมชั่วท้อมสิทิ์ที่เกิดขึ้นกับปากกับใจเยียนอยู่นี่เป็นวัฏจะวัฏจักรเลว่ากรมสิเลพิบาตเพราะไปหลงกับเป็นกรมเพราะไปทุกข์กัเป็นกรรมก็มีสิเลพิบัติการความหลงกับบางครับให้หลงเรื่อยไป ความทุกข์ความขัดใจทุกความโกรธ็บังคับเป็นโกรธเรื่อยไปเกิดทุกสิง ท, ที่เกิดกับความหลงความโกรธก็โลกคทุกข์เดยมันก็เป็นพันไปหลายอย่างโลกไปหลายอย่างโลกแห่งความหลงความโกรธทนกเะ็นอกุศลอกุศลเหลืเกิดขึ้นมากาพอดีกับสติเนี่ยเป็นตัวปราบตัว น, นี้ ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาโกรธของธรรมชาติของธรรมดามีคู่อย่างนี้ก็มีกลางคืนก็มีตางวันมีความหลงก็มีความไม่หลงเมื่อมีความโกรธก็มีความไม่โกรธมีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์เมื่อมีความเกิดก็ไม่มีความเกิดเพื่อมีความเจอเขาไม่มีความ่เจอมีความไม่เจอ เมื่อมีความเจ็บก็มีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะจนตรงนี้ปีนี้ปัญหานักจมพุทธประวัติเขาโก อ, อกจากนี้ก่อนที่พระชิตเถะจะทรงปนหนวกป่าลบหลังเราจงทรงออกประหนว มีเหตุผลอะไรจึงทรงกวนหวทำไมจึงไม่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่างที่ทมีอาชาตสามฤดูมีสนมุนกนมกำนานนางมีอะไรมากมายชอบสินประดึงคานรปร่าโลกเรื่องใดจึงทรงออกกวนหดวทิะยิ่งเจ้าวันษาย9่เจ้าี เรื่องใจอาหารไหนจึงทิ้งพิมพาลาหุนเอาลบเรื่องใดนั้นนี่มันจึงมีคู่อย่างนี้เพราะว่าพระเจ้ามายุยีบก้าวันชาต้องเห็นอะไรต่างๆในโลกนี้เห็นอะไรที่มันโจดตัวใหญ่ความเกิดความเสย ค, ความตายเห็นสำนันโจดตัวใหญ่ ไม่มีโจรจากนี้ก็จะทำยังไงเราเป็นจําเลยของความเกิดความเสียความเจ็ควตายแล้วกพออย่างนี้เลยจะต้องลองให้ต้องทุกข์จหรืองคนเอะก็มองตรงนะครับต้องมีความไม่เกิดไม่เสียไม่เจ็ไม่ตายวิธีจะศึกษาเรื่องนี้ทำยังไงทำพระเจ้าปู่พระเจ้าญาพระเจ้าตาพระเจ้าอยากไม่มีใครรู้เห็นสมณะ ก็เห็นนักบวชก็เห็นว่าเออีนช่องทางเนี่ยคือเจนที่วัดไม่ใช่โง่คิดตัวแล้วว่าพินนาไม่ลำบากลาวผลไม่ลำบากช่างยางนี้พิมนาไม่ลำบากใช่สนมกับกันได้อยู่เต่พระราชวังลาวผลก็มีที่เรียกนางนม เรารับกคนทักโลกเรารับกคนสองคนเท่านี้ไม่พอเราต้องรับคนทั้งโล ก, ลลโลกจะช่วยจะช่วยคนอย่างไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โผขาดบาดตายปล่อยคนทุกข์ไม่ได้ปล่อยคนโกดธไม่ได้ปล่อยคนลงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เห็นคนล้องไห้เห็นคนเจ็บลงเป็นทุกข์จึงเป็น กรก็เป็นจาเลยแล้วนี่ไม่จำนนหนวนสานาเป็นเจ้าข้าชายแ้วก็มีอัชาชว่มนุษย์็นสมองมันนึกจากแล้วนี่เพรานั้นเราเนี่ยก็เห็นได้อยู่เลยโคยโกรธมา่อกี่ร้อยองย่งเขยกี่ปันอสะชงเขยวราไม่โกรธมีทำไมไม่ใช่เคยทุกข์เบเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์มีอยู่ทำไมไม่มีสธิ วิธีใช้สติอย่างนี้คือกรรมฐานานี่ดกฎอย่างนี้เวลามาโกดีสติไม่โกด้ดยปรธเซนใช้สติได้หัดใช้สติมันมีงานให้ทำอย่างนี้มันโชว์ให้เห็นอย่างนี้เวลาเรามีสตินี้ะตะ ง, งานเกิดขึ้นสังกายว่างทางั้งจิตใจว่างแล้วก็มีโอกาสแล้วพร้อมแล้ววทฏฏธรรมปเพณน แล้วเบียบเวิวนไหนโอเจ้าวางไว้ไปทำไปทำเว้นไหนหะนิปฏิบัติทำทำเว้ไหนถึงมั่งถึงผลพผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมไปนีไปไหนด่ดีปฏิบัติอย่างนี้หรือว่าทำมาเว้นหน่อยสินเกิดที่นี่สมาธิเกิดที่นี่ปัญญาเกิดที่นี่ มีจุดที gy, ่ที่นี่เดีวก็มีโอกาสมีสิ่งวันร้องถึงเพื่อนเป็นเมตรมีพระสงฆ์หนุ่มๆในแม่คีสาวๆหนุ่มๆนจางๆผู้ทั่าผู้เฉยสำเรื่องนี้ละอย่าเอาอะไรมาอ้างอย่าเอาทุกข์มาอ้างวันนี้ก็มีแต่คนมีทุกข์มาอ้างพูดเรื่องทุกข์เระ่างนนเรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทุกข์เลย ให้ความทุกสังการสังงานจนเกิดปัญหาขึ้นมาความทุกจะเฉยๆทุกข์ประความคิดนี่ทุกข์ปรความเห็นมันสามารถเปลี่ยนได้นี่นะเสียดายเสดายมากสอนกนนี่ที่โกรธให้หายโกรธมันดีกว่าการทอดกระสิ่ะน สอน่นที่มีทุกช่วยคนที่มีทุกให้ไม่ทุกขนีมันดีกว่าทําบุญนันเดินนี่บุญที่เป็นอันนอกเรื่องนี้ไปบุญให้มันเกิดที่นี้ที่กาศใจเรานี่ถ้ามีบุญที่กาทศใจเรานี่ก็มีบุญนันเดินอีกมากมายถ้าเราไม่ทําที่นี่ไม่เจ้าที่ไปทำมันอื่นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีขึ้นมาที่ว่าน่าจะช่วยที่ว่านี่จะช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองไม่ฝึกตัวเองไม่สอนตัวเอง ไม่เปลี่ยนให้ตัวงให้ดีเปลี่ยนได้เป็นดีที่มันเกิดกับเราเนี่ยบุญก็คือตัวลูกเลยลูกผิดลูกถูกเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกบุญคือลูไม่ ร, มรู่ไม่หลงฉลาดบุญกุศลด้วยบุญกุศลคือลูกกุศลคือฉ ล, ลาดฉลาดออกจากทุกข์จากความไม่ดีที่มันเกิดกับกายกับใจนี้ เป็นปัญญาโลภรุ่นในของสังขารกายสังขารจิตตสังขานี่เราจึงมีสติแล้วก็มีความพร้อมที่สุดอยู่ที่นี่ให้ทําเรื่องนี้ถ้ไม่ทำเรื่องนี้ก็ก็กกพลาดแล้วไม่จบไม่ไ ม, ไม่ไม่คุ้มค่าเราหลงอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็มีศรัทธาต่อพวก อา่าฉันลเลิเฉินพวกเราอยู่ในหัวใจนี่หนุ่มสาวามีพานหนุ่มมาประฏิบัติธรับน่าฉันลเลิเินถ้าเขาทำแต่นี้จะได้มีที่พึ่งพุทธวิจัดจะมั่นคงประเทศชาติจะสงบต้องเย็นข้าพตุณีแล้วมันก็ว่ามีหวังมีหวังถ้าเราคิดเรื่องเงินก็ผิดแล้ว แล้วก like, ็หนนักพวกเราเอาโกพวกเราพอจะนอนก็ไใช้เวลาส่วนตัวส่วนตัวอย่าเบียเบียนกันเอาจังกวนใจละ